ฟังธรรมก่อนเนาะอย่ารีบร้อนไปไหนพระบงหน้าพระบงหลังหัวโ ด, นโ ด, นโดน้นหัวนี้เอาไว้ก่อนาการนี้เวลานี้เป็นการฟังธรรมชีวิตของเราเนี่ยบมาัดไม่ค่อยได้ในที่เรีนทุกต้นยาก เกิดขึ้นมาแล้วแก่เก่บตายไปเกิมตายชีวิตรเราน่อยนิดนั้นกับน้ำข้างบนยอดหญ้าบอมที่จะฉุนหายไปนาทีใดวินาทีใดก็ได้หายอยกเข้าไปออกก็ตายแล้วหายใจออกไปเข้าก็ตายแล้ว ได้หายใจเข้าหายใจออกเราจะต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ให้จำมิจำนานอาศัยการได้ยินในฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัตริรีบด่วนจักหน่อยอย่าปล่อยอะไรทิ่งไว้ในกายในใจเราคืนไม่ได้ ทิ้งความพอใจไว้ในจิตใจทิ้งความไม่พอใจไว้ในจิตใจแล้วก็เอาคืนไม่ได้แล้วก็เสียเวลาไปแล้วอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั่นก็เนิ่นช้าหมักหมมพกปูนเหมนดินพดหนามหมู ก็ยืดเป็นตัวเป็นตนไปเป็นจริตนิสัยไปง่ายเรื่องอกุศลกุศลให้ทำได้ยากเสียแล้วหลงเป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์เชนเนี่ยต้องหัดตนสอนตนให้เด็ดขาด เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่มันสักสิษย์ทำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันศักศิษย์ต่อหน้าต่อตาให้เราได้แก้ไขเปลี่ยนล้ยเป็นดีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจา ก, กายจากใจหลวงพ่อเขียนบอกว่ามิสิติดูกายเคลื่อนไหว เห็นใจมันคิดอั่นมันย่อลงมาให้เราดูกับโลกทัองโลกย่อมากำมือเดียวต่อหน้าต่อตาเราเราก็มีกายมีใจผ่านมาทางนี้ถ้าเรามีสติดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นพระนิพพาน ด้วยอาการที่เกิดขึ้นเกิดปากับใจเห็นประลา ม, มตัอย่างนี้ลงพอเทียนพูดอย่างนี้จริงเลยทีเดียวอย่าให้พลาด ต, ตรงนี้กรรมคือการกระทากระทาดีจะไปเกิดเป็นมรรคเป็นผลกระทาไม่ดีจะกลายเป็นอกุศลเป็นบาป อยู่ที่กรรมการจำแนกออกไปจากกรรมการกระทำเพื่อทำความดีก็ย่อมได้ผลดีเพื่อทำความชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วเพื่อดีความชั่วเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้ตนคนอื่นดีชั่วเป็นไปไม่ได้ ธรบาปเองก็ยอมเศ้าหมองเองไม่ธรรบาปเองก็ยอมหมดจดเองสมเศ้าหมองคงหมดจดเป็นของไข่ของมันเวลาเราปฏิบัตินี่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเราต่อหน้าต่อตาบางทีวันเศ้าหมองก็ยังเศร้าหมองไปตามมันอยู่ไม่แก้ไข ก็ เ, เลยเป็นบาปเป็นกรรมไปหลายนาทีหลายชั่วโมงหลายเดือนหลายวันหลายปีไปมัก็ติดได้นะกายของเราใจของเราเนี่ยเรื่องหละแต่เราจะให้มันคุ้นเคยเรื่องใดแต่เราไม่สอนปล่อยทิ้งยึงจะเป็นต้องปฏิบัติ ร, รมเนี่ย โอกาสมีแล้วพวกเราให้โอกาสกันแล้วให้สติกันแล้วเราก็ใช้สติได้เลยอย่าไปลบกวนกันให้เป็นจริงเว็นร่มซึ่งกันและกันเป็นมิตรดีใจ ด, ดีเพื่อนดี ชีวิตอมดีก็หลุดพ้นได้ง่ายวนเราคนปกติเนี่ยมันกระ่วยกระจายดึงไปไหนก็ได้เรา ม, มันหลงก็ไปกับความหลงเรา ม, มันทุกก็หาทางแก้ในทางที่ผิดไป แต่พต่พืชไปกินเล้ามอยยาทเที่ยวตีเ ล, ล่นเราบานนี่ครับแค่นั่นไปได้แบบนั้นคนปกติแต่คนวิกฤตหนำไปไม่ได้มันต้องสู้อย่าลุกก็ลุกไม่ได้เช่นนอนอยู่เคลื่อนไหวได้แต่คออย่างนี้ก็ต้องสู้ มันหมาจนกรอกมันต้องสู้มันก็ทุกอยู่ที่ใจนั่นแ่ะอะไรเกิดขึ้นก็มาอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับลู่อารมณ์รอบลมก็ติดแต่คนพิการนี่มันไม่มีทางไปก็ต้องมีสติสู้มัน ชวนกระแสเกิดทุกประความคิดให้ความคิดเป็นผู้หิ้วผู้บงบอก ใ, กให้สุขให้ทุกจิตใจ ก, ก็เป็นทุกข์กินสุขเกิดใดทุกเรื่องเกิดจากความคิดนี่ดูกายเห็นจิตดูจิดเห็นทมเนี่ยนั้นฟางมาทางนี้แน่นอน พระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าของเบียนดังกิตนี่โดยอาศัยกรรมฐ า, านเป็นเลด้าดึงมามันก็ผ่านไม่เห็นหมดเหมือนแมงมุมสกใหญ่มันทรใหญ่ใบกว้างแล้วมันก็มาอยู่ตรงกลางอะไรผ่านมามันรู้ มันก็เก็บมาเป็นอาหารหยินไดไม่ใช่อาหารก็เอาใจมานไปพันธใบไม่ให้ไปไหนการเจริญสติก็เหมือนกันนั่นแหละมันทําได้ทุกอย่าง น, นี่จริงไดที่บางก็บางหลงจริงไดที่ปล่อยไปก็ปล่อยไปจริงไดที่ละกว่าละได้ สิ่ใดที่กําหนดรู้ไว้ก่อนก็รู้ไว้รู้แล้วสิ่งใดที่หลุดพ้นก็ทำแล้วหลุดพ้นได้แล้วสิ่งใดที่ควรจะแจ้งก็ทําให้แจ้งแล้วแจ้งแล้วอย่างนี้จึงจะเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่จะมานั่งคิดถึงลูกถึงเมียถึงคนละคนชัง บางทีก็ยังไม่เกิดก็คิดไปก่อนกลัวแล้วกล้าแล้ ว, ลลวในความคิดอหอบผิวไปกลายเป็นสมุทรไทยสังขารผงแ่งไปถ้าเราลัดลัดตรงที่ผัสสะการปฏิบัตินั้นเป็นผัสสะสัมผัส ด้วยตัวของใครของมันสัมผัสได้กันไม่ได้เจนความหลงกับควมรู้จึกตัวได้สัมผัสกับความรู้จึกตั ว, ม ว, มตวเมื่อวันเกิดความหลงก็เห็นได้สัมผัสความหลงตรงเนี้มันจะบอกผิดบอกถูกแก่ผู้ที่ปฏิบัติ เราสามารถปฏิบัติได้ให้ผลได้ทันทีมีความเพียรกล้าความเพียรไปว่ากล้าเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีมีสติมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีพลังสมาธิสมาธิคือพลัง มีที่ยืนมีที่เหมือนกับยืนพันต้นไม้เกิดติเหมือนกับมีดซะสะมาธิก็เหมือนกับยืนบนที่หนักแน่นดีๆมันก็มีเลี่ยวมีแรงเลยได้พูดว่าสังโยชน์ต่างๆที่มันค้องแวมนมดึงลัดเหมือนเชือก แต่เหมือนดาบดาบกับเชือกแต่มันง่ายๆตัดแป๊บเดียวก็ขาดแล้วไม่น่าจะตัวให้มันดึงไปให้ยืนได้ทั้งแน่นเราตัดลงไปเรามีท่ากรรมาฐานนี่สติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดกลับมาได้ง่ายๆเนี่ย อย่าให้มันหิวไปมีความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสหรือว่าอย่าดวนรับอย่าดวนไปนเฉดดูหน้าดูหลังหัดและมีนิสัยแบบนี้หรือว่าท ร, รมาวิจยะสอดจองโยนโฉมนาจิการขบเคี้ยวมาแกแยก อย่าให้เป็นรุ่นเป็นก้อนให้มันกระช่ยกระจายไปเลยไม่มีอะไรที่น่ายึดไม่มีตัวมีตนจัก่ว่าปไปเลยนะกายก็จัก่วาลกายอะไรี่เกิดขึ้นกับกายก็จัก่ว่ากาย เวทนาเกิดขึ้นลนร้นหนาหนาวสุกทุกข์เก็บให้ได้ป่วยก็สักแต่ว่าสุขว่าทุกเนี่ยหนักแน่นยืนหยัดจิตที่มันคิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าจิตอย่าเอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตนเกิดได้จากความคิด ตัวจิเลจตัณหาหลาภะเกิดกัโลกหลงเกิดจากความคิดทั้งนั้นก็่สักแต่ว่าคิดเฉยๆม่ได้บังคับความใสไหลที่จะยอมมันทุกอย่างถ้าเราฝึกสติมันจะมีพลังมีที่ยืนมีที่อาบุธใช่ลงไปแม่ยิงแม่ มีดินเหมือนพื้นมีปืนให้เหมือนยิงแม่นทุกทีอะไรเกิดขึ้นมาลู่ฉุกตัวกลับมาลูบจุกตัวอย่างเนี้ยแล้วก็มีที่ตั้งอยู่แล้วคู่แขนเข้าเหยียดแขนนออกอย่างเ น, นี้ยกรรมวันฐานมันอุ่นใจนะยิ่งมาได้อารมณ์ เห็นรูปเห็นนามตามก็เป็นจริงแตนรูปน้ําก็ช่วยอีกเหมือนกับที่เกาะที่บังเป็นบังเกอร์ให้อาการเกิดเกิดรูปก็เป็นอาการธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่มันม่มีอาการมนะันก็ไม่ใช่รูปไม่ใช่น้ํา มันทนไม่ทนพื้นนี่มันมีรูปมีนามจะได้ใช้เป็นประโยชน์มันจึงเป็นมักเปผลได้รูปนามเนี่ยถ้ามันมีรูปม่นามมันสร้างมักสร้างผลไม่ได้มั้วก็ได้ประโยชน์ที่มีรูปไม่นามขอบคุณมันมันหนาวก็ขอบคุณความหนาว ต้มันไม่รู้จักหนาวกัเป็นอันตรายต่อรูปต่อนามได้การร่อนไมัรู้จักร่อนก็เป็นอันตรายแล้วก็ขอบคุณมันแหะหรือว่าได้ประโยชน์เห็นธรมธรมชาติเห็นนาการดูอาการเห็นปรัมมัดความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงเนี่ยปรัมมัมันลักษณะนี้ ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเนี่ยประมาทอ่ะเมือนน่ากลัวความโกรธไม่จริงความ่โกรธมันจริงเความโกรธเป็นสมมุติบัญญัติเป็นวัตถุอาการอันหนึง่งลูกมันเป็นวัตถุนามมันเป็นวัตถุอันหนึง่งที่มีตามีหูมันเกิดขึ้นมาเรื่ออาการวัตถุอาการ แล้วก็มีสมมุติไปเกี่ยวกับวัตถุนั่น่าชอบมาไม่ชอบมันเป็นสมมุติเฉยๆมาใช่อะไรมาบังครับแล้วแต่เราจะสมมุติเอาถ้าผู้เห็นอาการเกิดขึ้นอย่างนี้จะเห็นปรามัิมันไม่มีรสชาติในความสุขความทุกข์อะไรดอกเพราะประมัดมันคุมไว้อยู่ หลอกลวงเตงไม่ได้นะหลอกลวงคนเงินจะได้ความเท็จความจริงหลอกเทงไม่ได้ไม่มีที่ปิดบังอาพรางไอ้แต่ไปหลอกลวงเตงไม่ได้รู้จักละอายอวัตถิวัธรรมแหละเป็นเทว ด, ดาแล้วคุ้มของโลกเลยแล้วแม้แต่คิดก็ไม่กล้า จะไปทําแบวไม่ผิดศีลผิดธรรมได้อย่างไรปฏิบัติทํามนี่มันกุญจยนะไม่เลยว่าเบไม่ได้เดียวเดียวได้อะไรส่สอยง่อยเกาแล้วก็เป็นมิตรกับตัวเองอยู่เป็นมิตรกับพัะนธรรมเนี่ยเป็นญาติกับพัะนธรรมเนี่ยแล้วเรา ดูดีดแล้วก็มีจิงเวิตร้อมที่ดีทําให้เรลาได้เป็นที่อาศัยสินก็ช่วยสมาธิก็ช่วยบัญญาก็ช่วยมีแต่จริงที่ช่วยไม่ตกไปในที่ชั่วจมย่อมรักษาผู้บฤชธรรมอยู่เป็นนิด พยยามรักษาผู้ทมให้ตกไปในที่ชั่วเด็ดขาดไม่ยอมให้ตกไปในที่ชั่วเดยอมันอายตำบาปไม่ได้ทำไมตึงเป็นทุกข์ไม่ได้สงสารลูกสงสารนา้ำที่เราเคยปล่อยลูกปล่อยน้ำ ม, มาเกือบสามสิบปี ปก ม, มาเห็นเรื่องนี้สงสารรูปสงสารนามน้ําตาซึมเลยปล่อยรูปไปล่อนามเที่ยงไปเกี้ยนตายก็มีหลังท่านดิมันไม่มีปชิปปะส า, าไม่ใช่ตัวใช้ตนก็ยังไปเอามาเป็นตัวเป็นตนถูกหลอกถูกข่มโกนหลอกถูกความทุกข์หลอก เสียเปียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์มามากมาจึงเก็ดหลบับเมื่อเห็นทางเมื่อเห็นเช่นทางเมื่อเห็นที่ต่างกันเห็นพวมหลงก็ ม, มีคนไม่หลงมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาก็ยังไปหลงมันเป็นไ้ไว่ได้ก็กตือลือล้น่นดีอกดีใจใจก็ดีกว่าเกา่า รลวงพ้นพระวะเก่าอย่างนี้เรียกว่าวิปัจนาร่วงพ่นพระวัเก่าที่เคยเจียบเปียบความชั่วความไม่ดีความโกรธความทุกข์กเด็ตั้งน่นเหมือนขนหัวลูกนะเหมือนเป็นผู้ใหญ่เห็นเด็กกันเล่นขี้คน แล้วก็มันยอมให้เียนลูกไปเล่นยีโคนมันยอมให้ไปเล่นนล่งนั้นไม่ได้ห่ดรีบโผล่ขึ้นมาวันร้อนทันทีที่เป็นพ่อเป็นแม่ปล่ อ, อยทิ้งไม่ได้เห็นคนที่เป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยเหลือเห็นคนที่หลงก็อยากช่วยเหลือน่าเสียดาย ในความหลงก็มีความไม่หลงอยู่ของเขาแล้วอยากจะบอกทางเปลียป่ยนได้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อยู่เปลียยป่ยนได้อยู่แก้สาเปลี่ยนได้ดเปลี่ยนได้เวลามันกวก็เปลี่ยนไม่กลัวก็ได้อย่าให้ความกวดพากันไ ป, ไ, ปไปด่าไปฆ่าไปตีกันเปลี่ยนได้อยู่ อเาอาแค่เอาชนะกันให้วามกวดไปทำบาปทำกรรมได้ข า, ามกวดทำได้หรือว่าชอบก็เขาตายก็ชอบใจได้ด่าเขาก็ชอบใจได้ตีเขาก็ชอบใจอะไรไปทำนองนั่น เห็นผิดเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกเป็นชั่วเป็นดีเห็นงูเป็นป่าเห็นโกงจากเป็นหลอกบัวในทีความคิดเป็นทุกข์ก็ยังเอามาคิดอยู่ข้ามวันข้ามคืนโยมปล่อยยึไใจก็จนใจตัดินใจฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตาย เป็นนตรายขนาดนะั้ก็ยังคิดยังทำกันอยู่แต่เราไม่เห็นนี่เป็นเทวธรรมมาเห็นเนี่ยอายอายความคิดผู้เดยอายความคิดเทวเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวธรรมแล้วพวกนี้เป็นเทวธรรมในรูปตัว เ, เจ้าสรรเสริญฤทอุตตปะสัมปันนัง สุขะทำไมตาสันโตเทวดาธรรมโมติมุจลีผูใ้ใดมีความร้ายต่อบาปยงกลัวต่อบาปมิเสติร้ายใจผู้นั้นเป็นเทวดาในโลกผู้เจ้าว่าอย่างนี้จึงหลวงพ่เทียนว่าเป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้เป็นพระได้ไหมเป็นได้ ทำไมจะไม่เปลนได้ปิดประตูนระกแต่ไม่ปิดได้เปิดประตูสวรรค์ น, นี้ผ่านได้ไหมเปิดได้มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ไปลราไปลีดที่ไหนอ้นอนบอลยังไงกรรมที่การกระทําลงไปจริงใจมันดีกว่าเก่าเนี่ยใจดีก็เป็นบุญแล้ว อยมันเย็นกว่าเก่าแต่ใจเย็นเย็นไม่มีภูไม่แพ้กับเป็นพระเทพนแล้วไม่หวั่นไหวอีกแล้วตัวเขาศิเล า, างั้งทึบไม่จะเถือนเพราะลมฉันได้ผู้ที่ฝึกกิตดีแล้วไม่จะเถือนเพราะเหนินทาสันละเริญฉัน น, นั่นก็อยู่ในโลก ด, ด้วยด้วยความสง่า ง, งาม เก่งขึนไปจริงเงกินเหนือการเคยเจ็บเจบตายนู่นคุ้มค่ารือว่าชีวิตประเสริฐเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพัฒนาศึกษาปฏิบัติได้อย่างเดียวเราจะมีโอกาสกันแล้วมีกายมีใจมีรูปมีนาม ไม่ตรงตรงสักหน่อยมันจะไม่ใชามันหลงตรงเราความไม่หลงยายหลงเป็นหลงมันโค้งไปแล้วไม่ตรงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติปตเป็นสถาบันอยู่เช่นนี้อะไรมากรตรงอยู่เช่นเนียหลงไม่ถูกต้องก็ไม่หลงถูกต้องเนี่ย ความทุกไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องเนี่ยมันอยู่ที่กายใจของเรานี้เองเราไม่ใช่ไปเจ้คนอื่นไปด่าคนอื่นกลับมามาดูตัวเราบางทีเขายังเอาอยู่ให้เขาไปจ๋าเราจะไปเอาเขาเาเขายังเอาความโกรธยังเอาความทุกขายังเอาความหลงอยู่ยไว้อยู่ เราไม่เอาแล้วเราทิ้งไปแล้วช่วยไม่ได้เพราะเขายังไม่เห็นแจ้งไม่เคยประกาศไม่เคยปฏิบัติมามืดก็ไปมืดๆแบบนั้นเราเคยปฏิบัติบ้างก็มามืดก็ไปจบบางได้แตาไม่ปฏิบัติมันก็มืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อย เมื่อตั้งมีสีดำเมื่อตั้งสีขาวเมื่อสีขาวคือความชุกความดีใจความดีใจความไม่ใช่ใจดีนะะดีใจเนี่ยในตาเขาก็ดีใจเมื่อสีขาวแต่ข้าเขาก็ดีใจได้เปรียบผมก็ดีใจนี่เมื่อสีขาว ยิงเขาจะโอเแบบด้านก็เลยเอาชนะคนอื่นลอยข้างปันหุ่นก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนกับการชนะตนแม่ข้างเดียวรู้เจ้าสอนเราชนะตนจะเความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธจะเอความทุกข์ด้วยความไม่ทุกข์อย่าไปเอาชนะคนอื่น นี่คือการปฏิบัติธรรมไม่เรียกว่ า, วาชนะผู้ชนะอันยอดเยี่ยมคือชนะตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่นหนนี้ประเทศใดกันหลังเดือดร้อนเอาชนะกันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายประชาชน ปกรุงเทพว่าจะเข้ากรุงเทพไปหาหมอเนี่ยเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราปิดกรุงเทพไม่มีวันที่จะเลิกลากันนะขณะรัฐบาลก็จะพยายามตั้งรัฐบาลพัฒน์ทินตั้งที่ภาคเหนือตั้งที่ภาคอีสานลกกันมานเนี่ยเาชนะกันแบบนี้ได้อะ า, ายหรอ แล้วก็ไม่ได้อะไรก็จิบหายวายวอดทั้งสองฝ่ายมันลกูเกเติ่มโลกนี่ยิ่งใหญ่ความอยากก็ยิ่งใหญ่สถิตเหมือนแม่น้ำเสมอทุกความอยากไม่มีมันใหญ่มากแต่ที่จะเสียเฉละให้มันเป็น กราพึกเกิดขึ้นทุกมุมเมืองนี่เราก็ให้เป็นธรรมชาติเป็นจิงแบบล้อมพื้นสู่ธรรมชาติไปจะได้อยู่ได้กินได้ใช้กันไม่ใช่ไปแย่งเอากันมาเมื่อใครเหยาะเาวได้เหาวเอาใช่เหยางนั้นเราก็ขาดแฉนแล้วก็จนจน ทรรมะเท่านั้นที่จะคุ้มกองโลกทาไม่มาโลกาพินาศถ้าทํากลับมาโลกาก็จะเรินจึงมีวิธีเดียวที่บอกกันอย่างนี้ต่ไม่ค่อยจะมีใครได้ยินรอกนี่เราตอนนี้นั่งอยู่นี้ไม่ถึงสิบคนเนี่ยอย่างมากก็สิบคนยี่สิบคนเนี่ย แม่น้อยก็อย่างดีจะได้ดูโลกมาดูโลกมันเป็นอย่างนี้ก็ว่าโลกเนี้ยจึงอย่าพัฒมาก็ถือพวกเราเราเพือ่อขาตัวเรานี่แหละไม่ใช่ไปคิดเรื่องการเมืองเรื่องนั่นเรื่องนี้ชอบเรื่องนั่นเราไม่ชอบเรื่องนี้ เรามาดูตัวเราเองดีกว่าให้เจริญโต ว, วันโตคืนขึ้นมาข้ามร่วงับวตตังสอรขึ้นฝังพระเนภรผานให้ได้นในชีวิตชาตินี้ด้วยกันทุกคนเถอ